พระเจ้าจรว่าทมที่มีอุปการะมากมีมสองอย่างคือสติและสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันนี้ความหมายพื้นๆง่ายๆอุปการะอุปการะอะไรน ะ, อ, ระอุปการะชีวิตของเรา อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่นะคนเราถ้าไม่มีสติก็อาจจะตายได้ง่ายๆเพราะว่าเดินรีบๆหรือว่าลงบันไดเร็วก็อาจจะตกบันไดหัวกระแทกพื้นลื่นนะหลนะ ัว ก, กะแทกพื้น ก, ก็ตายได้หรือไม่มีสติขณะขับรถนะก็เกิดอันตรายได้ง่ายอุปการะส่วนก็คืออุปการะธรรมะทั้งหลายที่ที่จำเป็นสำหรับการตาเนินชีวิตคือในการปฏิบัติธรรมหรือว่าในการาสร้างสมธรรมขึ้นมาเนี่ย เราต้องมีสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นพื้นฐานจะให้ทานถ้าไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวก็อาจจะได้แทนที่ได้บุญก็ได้บากระหว่างที่ที่รอนะรอถวายเงินนะ ก็จะเกิดความหงุดหงิดนะที่แถวยาวคนแน่นหรือว่าอาจจะรำคาญคนที่อยู่ข้างหน้ามาทำบุญแท้แเนะี่ยกลับได้ความรุ่มร้อนใจได้รับความหมงุดหงิดหรือว่าเกิดจิตเป็นอกุศลอย่างนี้หรือว่าก็ได้บาปว่าไม่มีสติปล่อยให้ความ อากุศลจิตครอบำํำก็ทำให้การให้ทานหรือการทำบุญนั้นไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าได้สิ่งตรงข้ามนะคือได้บาปไม่ใช่ได้บุญสติก็เป็นตัวตัวท้วงหรือตัว ตัวเตือนไม่ให้ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมันมากเกินไปจนเกิดผลเสียเช่นมีศรัทธามากมันศรัทธามากถ้ามากเกินไปมันก็มมงายนะสติมันช่วยเตือนนะไม่ให้ไม่ให้ดิ่งลงไปในสิ่งที่ศรัทธาโดยเพราะจะเป็นศรัทธาที่ผิดนะหรือว่า เป็นศรัทธาที่อาจจะถูกก็ตามแต่ว่ามันดิ่งไปจงกระทั่งไม่ใช่ปัญญาอย่างที่เราทราบศรัทธาเนี่ยก็ต้องทวงดุลด้วยปัญญาและปัญญาก็ต้องทวงด้วยศรัทธาเพราะถ้ามีศรัทธารุ่นล้ว น, วนขาดปัญญานี่ก็เกิดผลเสียมีปัญญามากๆรุ่นล้ว น, วนแต่ไม่มีศรัทธาก็เสียเหมือนกันบางทีมีตัวเชื่อม สิ่งที่มาช่วยเชื่อมได้คือสติคือสติมันทำให้เรารู้ว่ากำลัง <c oughs> กาลังเบือไปแล้วนะกำลังกาลังสุดตรงไปอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกับสมาธิถ้ามีสมาธิมากๆมันก็ความเพียรก็ย่อหย่อนไม่อยากทำงานทำการอยากจะหนีโลกนะ ส่วนความเพียรถ้ามีมากๆาไปมันก็สติวอาสมาธิก็อ่อนจิตก็กระเจิงว้าวุ่นฟุ้งซ่านเรื่องมีสตินี่แล้วความรู้สึกตัวนี้เข้ามาก็มาเชื่อมก็มาดึงเข้ามารั้งเอาไว้ไม่ให้มันสุดโตงไปอันนี้เรียกว่าเป็นทมเป็นอุปการะอย่างหนึ่งนะอุปการะคือส่งเสริมสนับสนุนเป็นพื้นฐาน จะเรียกว่าเป็นแนวหลังก็ได้สติสัมปชัญญะนี่เป็นเป็นแนวหลังนะที่ที่ไม่ค่อยมีบทบาทโดดเด่นนะไม่เหมือนศรัทธาปัญญานะวิริยสมาธิซึ่งเป็นอินทรีย์หรือว่าพะระนะระระนี่มีหนะ้าอินทรีย์ก็หนะ้าส่วนให้เป็นตัวโดดเด่นนะ ทำงานตัวเด่นก็เนี่ยศรัทธาปัญญาแล้วก็บุริยสมาธิคนที่มีศรัทธามากๆเราก็เห็นได้นะจากพฤติกรรมของเขาคนที่มีปัญญามากเราก็เห็นได้จากพฤติกรรมมีปัญหามีอะไรเขาก็แก้ได้ผู้ใจฉชาชาๆทำความสำเร็จได้เกิดขึ้นคนเรียนเก่งนี่เราก็เห็นได้นะ คนที่ทุ่มเทด้วยความเพียรนะเราก็เห็นได้ชัดคนที่มีสมาธิเราก็เห็นได้หลายคนก็เวลามามาปฏิบัติธรรมก็อยากได้สมาธนะิไม่เคยมีใครสนใจอยากได้สติหรอกนะมาเพื่อสมาธิอยากได้สมาธิมาฝึกสมาธิใหม่ๆนี่ก็ไอ้เพที่บอกว่ า, าจะมาฝึกสติเจริญสติมิน้อย เพราะว่าสติซึ่งอารมณ์เความรู้สึกตัวนี่เรียกว่าทำงานข้างหลังั้งแต่ว่าสำคัญมากทีเดียวนะถ้าขาดไปก็ลำบากมันก็เหมือนกับพวกวิตามินเกลือแร่เนี่ยไม่โดดเด่นเ้าพวก อาหารห้ามูลนะอย่างเช่นโดยเฉพาะโปรโตีนข้าวบัวไฮเดรไขมันเนี่ยไอพวกนี้มันจะมีความโดดเด่นมากกว่าแต่ว่าถ้าขาดพวกวิตามินนี่ก็ถึงตายได้ขาวิตามินซีก็ตายได้เหมือนกันนะเลือดออกตามไหลฟันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเป็นกันแล้วไม่ค่อยมีใครตายกันแล้วพรโลกนี้ ว่าโลกฟางโร ก, กระเจาะขาดวิตามินบีเน็บชาถึงตายได้เหมือนกันคนสมัยก่อนก็ตายแล้วเพราะขาดวิตามินบีนี่ค ว, ว่าสติเนี่ยนะแต่หน้าที่หนึ่งความระลึกได้ระลึกได้ถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว หรือว่าสิ่งที่เพิ่งได้ทํานะวางรองเท้าไว้ที่ไหนจอดรถไว้ตรงไหนกุญนะแจรถนะอยู่ในกระเป๋าหรือว่าวางไว้บนโต๊ะนี่นึกขึ้นมาเราก็นึกได้อันนี้ก็เป็นงานของสติ แต่สติมีหน้าที่อย่างนึงคือช่วยกํากับจิตให้อยู่กับอารมณ์อารมณ์ในสิ่นี้ เ, เป็นรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสก็ตามก็หมายความว่าทําให้ช่วยกํากับจิตให้อยู่กับปัจจุบันก็คือกำลังทําอะไรในขณะนั้นจิตมันไม่จิตมันไม่อยู่มันไปสติก็ไปล่า ก, กลับมานะเรียวกว่ากับจิตให้อยู่กับอารมณ์ ขับรถก็ขับรถยังมีสตินะทำครัวก็ทำยังมีสติแล้วนะจิตสติช่วยกํากับจิตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ด้วยเนะช่นถ้าเกิดว่ากาลังตามลมหายใจอยู่นะหรือว่ากำลังยกมือสร้างจังหวะนะจิตมัน ล, ลอยไปไหนก็ไม่รู้สติก็ไปดึงกลับมาให้มา รับรู้ลมหายใจที่เคลื่อนไหวเข้าออกรับรู้มือที่พิชไปมาก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นนะเมื่อจิตกรรมอกับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตั ว, วความรู้สึกตัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่มันก็เกิดประโยชน์หลายอย่างนะก็คือว่าเกิดความเบาความโปร่งความโล่งไอ้อความสึกหนักหนักใจมันจะไม่มีถ้ามีความรู้สึกตัว แล้วขณะเดียวกันมันก็ทําให้ทํากิจการงานต่างๆได้อย่างถูกต้องนะเมื่อเรารู้ตัวเราก็ทำอะไรได้อย่างถูกต้องถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนะเช่นล้างจานหั่นผักทําครัวแล้วก็วางช้อนวางชามได้เป็นระเบียบแต่ถ้าเราเผลอ ลืมตัวเมืนะ่อไหร่นะใจลอยไม่รู้ตรงไหนเนะี่ยบางทีก็วางช้อนวางจานผิดที่สลับกันแต่ที่จริงแล้วมันจังรวมไปถึงว่าการการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยนะอย่างเช่นแม่ค้าก็ต้องการขายของนะ แต่ว่าบางครั้งลูกคนที่มาซื้อนะลูกค้านี่ก็มาพูดทำให้เกิดโทสะมาต่อราคามาตำหนิของที่ขายถ้าว่าแม่ค้ามีสติมีความสุดตัวก็อาจจะหลุดปากด่าไปหรือแสดงทีท่าที่ทำให้ คนเขาไม่อยากซื้อของก็เรียกว่าไม่รีว่าผลักลูกข้าวออไปผลักสายลูกข้าวออไปอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีความรู้ตัวสิ่งที่ทำก็เลยได้ผลตรงข้ามกับสิ่งที่ปรารถนาจากจะให้เขาซื้อแต่ไปด่าวซะแล้วจริงๆแม้ว่าเขาจะตำหนิยังไงเขาจะ ก็จะหันก็จะต่อราคาแบบสะ บ, บันหันแรงงไงถ้ามีสตินะก็สามารถจะพูดโน้มนาวเขาอาจจะพูดให้เขาเห็นใจก็ได้หรือพูดให้เขาเห็นว่ามันถ้าเขาซื้อแล้วก็จะได้ได้ประโยชน์อย่างไรมันก็ยังคุ้มกับเงินที่เสียไปนี่เป็นต้นอันนี้เรียกว่ามีความรู้สึกตัวนะสัพพัญญะสัปพัญญะมันช่วยทําให้ทํากิจการงานได้ ได้สำเร็จด้วยสมความมุ่งหมายไม่ใช่ว่าไปไปหลุดนะมีพ่อเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งนะนันกเรียนไปถูกครูลงโทษนะ องโทษอย่างแรงเลยนะพอไปต่อยเพื่อนนะพ่อรู้เนี่ยพ่อก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็พ่อก็ไม่ค่อยชอบด้วยนะเพราะว่าลูกเนี่ยนะใช้ความรุนแรงกับเพื่อนลูกก็บอกว่ามันมันด่าผมมันดูถูกผมหนะาวาผมนาตโตมี ผมก็เลยโกรธต่อยหน้ามันพ่อก็บอกว่าเนี่ยมันต้องไม่ไม่ควรใช้ความรุนแรงต้องใช้สันติวิธีใครก็จะว่าอย่างไงก็ต้องอดกั้นเนี่ยก็ตำหนิลูกลูกก็เพียนก็เถียงเนี่ยเถียงว่าเนี่ยถ้าไม่ต่อยมันก็มันก็ได้ใจพอมีการโตเถียงมากๆก็จะเกิดอารมณ์ทั้งคู่ พ่อก็ว่าลูกหนักขึ้นนะองโง่เนยทำอย่างนี้มันงโง่มันสร้างปัญหากับตัวเองก็เดือดร้อนของพ่อด้วยลูกก็โตโตกลับนะคราวนี้ลํำเลิมไปถึงพ่อเลยเนี่ยพ่อเนี่ยไม่ยอมไม่กล้าสู้ค น, นพ่อพ่อเพราะเป็นอย่างนี้เลยนะพ่อถึงเป็นไอ้ขี้แพ้ พ่อโมโหนี่พ่อตบหน้าลูกเลยเมื่อกี้พ่อเพิ่งสอนลูกอยู่ๆว่าให้แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแต่ตอนนี้พ่อดันใช้ความรุนแรงกับลูกแล้วเพียงพ่อรลูกไม่เชื่อสันติวิธีถ้าพ่อรู้สึกตัวนี่พ่อมีสติจะทำไหมก็ไม่ทำถ้าพ่อมีสติพ่อมีความรู้สึกตัวพ่อก็จะ ก็ค่อยพูดให้ชี้ให้เห็นแล้วก็แสดงให้ดูด้วยนะไม่ใช่พูดอย่างเดียว้แสดงให้ดูว่าความขัดแย้งมันต้องแก้ด้วยสันติวิธีพ่อไปว่าลูกนะว่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาเสร็จแล้วพ่อก็ทำใจเองอันนี้มันไม่มีเหตุผลไดเลยนอกจากว่าลืมตัวไม่มีสติ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเมื่อเป็นความดีเสร็เมื่อเป็นความดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องมีคือความรู้สึกตัวต้องมีสตินะไม่ว่าความดีความดีนั่นจะเรียกว่าธาหรือศีลไม่ว่าความดีนั่นจะเรียกว่าสมาธิหรือว่าขันติวิรยิยะมันต้องมีสติสัมปชัญญะนี่เป็นเป็นตัวรองรับเป็นพื้นฐานนะถ้าไม่มีสานี้มันก็เพี้ยนมันก็ เรียกว่าทาวิบัตินะวิบัตหรือเรนต้องเมตตาด้วยเมตตาเนี่ยถ้าเมตตาไม่มีสตินะแทนที่จะช่วยเขากลับเป็นการทําร้ายเขานอย่างแม่ที่เมตตาลูกจนกระทั่งลูกเสียพูดเสียคนลูกไปทําผิดอะไรก็ปกป้องเขาลูกขโมยของก็ปกป้อง แก้ต่างให้ลูกด้วยความรักลูกนะแต่ว่ามันไม่มีสติแล้วถ้ามีสติมันก็จะเห็นว่าไอ้แบบทำแบบนี้นี่มันเป็นการทำ้ า, ายลูกในระยะยาวเนี่ยสติความสึกตัวเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นธรรมะทีเ่เรียกว่า เป็นตัวยืนพื้นเลยนะเป็นตัวที่จาเป็นต้องมีสำหรับการที่จะทำอะไรก็ตามนะที่เป็นความดีงามย่อมไม่ต้องพูดถึงการยับยั้งไม่ให้ทำความชั่วนะเพราะถ้าไม่มีแล้วมันก็ทำความชั่วได้ง่ายเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ความรู้สึกตัวสติเนี่ยมัน อลายครั้งเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเห็นค่าเพราะว่ามันก็ยังทําอะไรได้เวลาขับรถเนี่นะเวลาขับรถนี่เราก็สึกเราก็สามารถจะขับไปได้โดยที่ไม่ค่อยรู้สึกตัวเพราะอะไรเพราะมันเคยชินขับรถตามความเคยชินมาถนนเส้นนี้เป็นประจำมันก็ก็เลย สามารถขับไปได้ทั้งที่อาจจะคุยโทรศัพท์หรือว่าใจลอยความเคยชินนี่มันมันเป็นจะเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์หรือว่าคนละพวกกับความรู้สึกตัวก็ได้ในเมื่อเราทําต่างๆด้วยความเคยชินแล้วก็สำเร็จนะเราก็เลยไม่ค่อยเห็นความสาคัญของความรู้สึกตัว เพียแต่ว่าการทำอะไรที่เป็นของใหม่เช่นคนที่เริ่มฝึกหัดขับรถเนี่ยนะก็ต้องมีความรู้สึกตัวก่อนไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถบังคับแขนบังคับมือบังคับขาได้ส่วนมน์ใหม่ๆก็เหมือนกันนะก็ต้องรู้สึกตัวต้องอ่านแต่ละคำแต่ละประโยคด้วยความตั้งใจมีสติ เวลายกมือสร้างจังหวะเนี่ยนะใหม่ๆนี่ก็หลายคนก็จะรู้สึกเออมันใจไม่บอกแรกนเพราะว่าจิตมันอยู่ที่มือมันต้องใส่ใจกับการยกมือเป็นจังหวะแต่พอทำ็นคุ้นนะเป็นอัตโนมัตินกลายเป็นความเคยชินไปแล้วนะเราก็ยกมือไปแต่ใจลอยแล้ว สวดบนไปปากก็ว่าเปล่าปไปเลยก็ตอนนี้ท่องได้แล้วแต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนขับรถนี่เหมือนกันนะพอขับรถเป็นแล้วคล่องแล้วนี่มือเท้ามันไปเองนะใจมันรู้อยู่ไหนมันก็สาเร็จนะทำทำทำได้สาเร็จเหมือนกันนะส่วนคุณภาพอยู่ไม่้องพูดถึงแต่ทสำสาเร็จคนก็รลยสึว่าเออมันไม่ต้องรู้สึกตัวก็ได้ แค่ทำตามความเคยชินแต่เวลาเกิดเกิดเรื่องที่มากระทบขึ้นมาหรือเกิดสิ่งเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นมาตรงนี้แหละถ้าไม่รู้สึกตัวนี่มันก็เตลดเิดเปิดเปิดมเหมือนกนันก็สามารถจะทำไปตามอารมณ์อารมณ์เข้ามาครอบงำจริงๆปฏิปักษ์ ที่แท้จริงของความสุขตัวนะคือพวกอารมณ์นี่แหละไม่นจะเป็นความโกรธนะความเศร้าความเกลียดความกลัวความรู้สึกผิดความนั้นต่ำใจพวกนี้มันคลองจิตเมื่อไหรนะ่ความสุขตัวก็หายไปแต่ว่าคนก็ยังรู้สึกว่าเออทำอะไรได้นะโกรธก็ยังขับรถได้นะ เพราะอะไรเพราะมันเคยชินแต่ว่าถ้ามีอะไรมามาทำให้งุนมีขัดใจก็สามารถจะระเบิดได้ก่อปัญหาต่างนี่เพียงแค่การดำเนินชีวิตทางโลกเนี่ยนะเราต้องพึ่งพาสายความรู้สึกตัวมากเพื่อว่าจะทำงานให้สำเร็จเพื่อว่าจะ มีความสัมพันธ์ที่ลับลื่องกับผู้คนนะเรื่องแต่คนใกล้ชิดนะเช่นลูกนะสามีภรรยาพ่อแม่บายครั้งเนี่ยการทำร้ายกันโดยไม่รู้ตัวก็เกิดอาการที่ไม่รู้สึกตัวไม่มีสตนะิยิ่งอยู่ใกลมาเทำลายเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งจะ กระทบกันได้ง่ายเพราะความเคยชินนิสัยคำพูดที่มันที่ทำจนซ้ำๆนะกลายเป็นความเคยชินเนี่เช่น mm hmm. ประชดประชันหรือว่าตำหนินะพ mm hmm. อทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะมันก็ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว มันยิงไปก่อนแล้วว่าไปก่อนแล้วถึงค่อยนึกได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาอุ้มลูกมาเจเดือนเพิ่งแต่งงานได้สองสามปีเองพูดถึงฐานะความรู้ก็นาบดีเป็นเภสัชกรทั้อองคู่ น่าจะมีความสุขเพราะว่าฐานะการเงินก็ก็พอใช้ได้ก็จัดว่าดีถึงแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็มีปัญหามีการกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงแล้วก็กระทั่งคิดจะแยกทางกัน แต่ว่าเขาก็ยังพยายามที่จะประสานคืนดีกันก็ไม่รู้ใครแนะนำมาหรือว่าออพ่อเหนะ็นไหพ่อของฝ่ายหญิงนั่นเขาแนะนำให้ลองมาคุยดูมาหาที่ศาลาน้นามตอนอย่างที่เขาเล่าก็กรู้สึกว่าเนี่ยมัน มีการมีการกระทบกระทั่งกันเริ่มด้วยนะคำพูดนะที่จริงมันก็ต้องเริ่มด้วยที่ความคิดก่อนแล้วนะเริ่มจากความความระแวงความไม่ไว้วางใจความผิดหวังว่าไหฝ่ายชายไม่เ ด, ดีอย่างที่คิดนะ ที่จริงก็ไอความผิดของฝ่ายชายก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฝ่ายหญิงเห็นฝ่ายชายดูเว็บโป้ะนะก็รู้สึกผิดหวังนะว่าว่าเขาจะนอกใจหรือเปล่านะพอคิดแบบนี้ครอบก็ไปนะก็เริ่มรู้สึกลบรู้สึกแย่แล้วนำไปสู่การ คิดลบด้านอื่นแล้วก็นำไปสู่การพูดนะพูดจาตำหนิ แ, แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ค่อยๆจมลึกเข้าไปในในวัตจักรที่ชั่วร้ายนะก็คือว่าคิดลบมีมีอคติก็เลยนะก็เลยพูดลบพอพูดลบก็เลยเกิดอารมณ์ที่ลบอารมณ์ที่ลบก็นำไปสู่อคติ อคติลบ ก, ก็นำไปสู่การกระทําที่ลบแล้วก็ไปสู่อารมณ์ที่ลบ ก, ก็ซ้ําไปซ้ํามาอย่างนี้นะจนกระทั่งมันแรงมากขึ้นแรงมากขึ้นถึงขั้นพูดกูพูดมึงกันเลยถึงขั้นเกือบจะใช้กําลังมันตรงข้ามกับตอนที่คบกันใหม่ๆ ห, หรือรักกันให ม, ใหม่หรือตอนที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆคนละเรื่องคนละฉากกันเลย อันนี้ถ้าว่าไปแล้วก็เป็นเพราะเนี่ยทั้งอีกทั้งสองฝ่ายก็มีความรักต่อกันนะแต่ว่าพอพอลึกตัวหรือว่าพอตกเข้าไปในนิสัยนิสัยที่เป็นลบหรือว่าวงจรที่เป็นเป็นลบเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดความเคยชินแบบล บ, ลบ การพูดการจา ก, การแสดงหน้าตาสีหน้าเนี่ยมันก็เลยไปหมดเลยนะทำให้การอยู่ในบ้านเดียวกันเหมือกันมันก็อยู่ในนระกนี่ถ้าไม่มีลูกนะก็คงจะเลิกกันไปละแต่นี่เ็ามีลูกลูกก็น่ารักนะก็เลยพยายามที่จะหาทางประสานกันให้ได้ก็เลยมาคุยนะมากันทั้งสา ม, มีภรรยาเลย ก็ย่งดีที่เวลาภรรยาพูดถึงความไม่ดีของสามีสามีก็นั่งฟังถึงแม้ว่าสิ่งที่พูดไปอาจจะอาจจะคายเคลื่อนนะก็นั่งฟังมีเขามอดทนอาจเป็นเพราะว่ามีพระอยู่ข้างหน้านี่ถ้าเกิดว่าเขามีความอดทนแบบนี้ในเวลาอยู่กันสองต่อสองเนี่ยนะ ไม่ทำให้อารมณ์โกรธเกลียดเนี่ยมันไม่ครอบงำมากทำให้มีความสึกตัวที่จะมาพูดพูดแบบใหม่ๆนะที่จริงก็ไม่ใหม่ ห, มหรอพูดอย่างที่เคยพูดสมัยที่ยังรักกันใหม่ๆมันจะทำให้ค่อยออกจากวัตจักรที่ชั่วร้ายได้คือคิดลบพูดลบนะแล้วก็เกิดอคติ เกิดอารมณ์ที่ลบอันจำเป็นมากที่ต้องมีสติความสึกตัวแต่ว่าก็แนะแนําเข้าไปนะว่าในสถานอย่างอย่างเนี้ยนะถ้าเขายังอยู่ในสิ่งวรอมเดิมๆนะมันก็อดไม่ได้ที่จะมีคติอดไม่ได้ที่จะพูดลบหรือว่ากระทําทําลบนะ แล้วเจ้าตัวเก็ตั้งใจนะตัวผู้หญิงนี่ก็เป็นคนสนใจธรรมะมามตั้งแต่เด็กนะพ่อแม่สนใจธรรมะเป็นคนใต้นะอ่านหนังสือศึกษาหนังสืออาจารย์ท่านเจ้าพุทธทาสนะเป็นคนที่ฝ่ายธรรมมาตั้งแต่ยังยังเด็กนะอาจจะเป็นเพราะว่าฝ่ายธรรมมากแล้วก็เลยรับไม่ได้ที่ สามีไปดูว็บโป้ทางที่มันก็จะผาไปมันก็เป็นนิสัยงธรรมชาติผู้ชายการที่ไปดูแ็บโป้เน่แปลว่าเขาจะนอกใจภรรยาแต่ผู้หญิงก็อาจจะไม่เข้าใจอันนี้ก็เหมือนกับก็เลยทำให้เกิดความสุขคลางแคลงผิดหวัง ก็ได้ได้นำไปว่าเนี่ยถึงแม้เขามีความตั้งใจที่จะมีสติในการที่จะประคองความสัมพันธ์ให้ให้อยู่ได้ไม่แตกหักขาดสับบัน้นแต่ว่าถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมด ม, มันก็อดไม่ได้ที่จะคิดลบรู้สึกลบเนี่ยไม่งั้นมันต้องมาใส่ตัวช่วยคือสิ่งแวดล้อมถ้าอยู่สิ่งแวดล้อมใหม่ใหม่ๆที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เกิดความกรวัวความเกลียด หรือว่าเสริมอาคาติไอสติของสุตวงเขาก็จะค่อยๆมีกำลังมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำพาความคิดการกระทำและคำพูดเนี่ยให้มันเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นอยากให้ชีวิตคู่อยู่ได้นานแต่ว่ามีแต่ดาดาดาหรือว่ามีแต่ว่าว่ า, วา หรือมีแต่ตำหนิเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะอยู่ได้คีวิคู่แต่คนเราก็เป็นอย่างนี้นะความตั้งใจกับการกระทำเป็งคนละเรื่องตั้งใจดีแต ก, การกระทาตรงข้ามมันเป็นเพราะอะไรนะเพราะเพราะไม่มีสติในความสึกตัวนี่นะถ้ามีสติความสึกตัวน mm. ี่มันก็จะสามารถจะคิดพูดแล้วก็ทำให้ตรงตามความมุ่งหมาย อยากให้ชีวิตครอบครัวยืนยาวผาสุกนะ้วก็จะพูดในสิ่งที่ดีให้กำลังใจนะพูดด้วยเมตตามีความเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่กดกลันนะมันต้องไปในลักษณะ น, นั้นนะชีวิตชีวิตคู่ต้องยืนยาวแต่ถ้าตั้งใจแบบหนึ่งตั้งใจให้ชีวิตคู่ยืนยาวแต่พูดอีกและทำอีกอย่างนึงนะมันก็ เป็นไปไม่ได้นะที่จะชีวิตกูจะยั่งยืนและอะไรทำให้ผู้ละทำไปอีกอย่างหนึ่งก็เพราะไม่มีสติไม่มีความสึกตัวลืมตัวนั่นเองนี่เป็นเรื่องที่ที่คนมักจะมองข้ามในความสำคัญนะของธรรมที่มีอุปการะมาทั้งสองประการ แต่ถ้าออว่าได้เห็นเห็นได้เห็นอานิสงส์เห็ น, นเห็นอนุภาพของสกิริสัมปชัญญายิ่งก็ทำให้เกิดศรัทธาขึ้นแล้วทำให้เกิดความเพียรในการปฏิบัติตรงนั้นแหละที่จะนำพาคนเนี่ยเข้ามาเพื่อฝึกสติเจริญสติมากขึ้นอรชันก็เพื่ท่านนี้อกลับฮะ